คนที่ระวังรักษาคุ้มครองอินทรีย์เท่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ทํากิจของตนและไม่พึงเบียดเบียนใครๆ ค, คนที่รักษาใจไม่ให้เป็นบาปเมื่อเห็นได้ยินรู้กลิ่นรับรู้รสรับกระทบโพธาพะนึกคิดต่างๆเนี่ยนะใจเขาไม่เป็นบาปอย่างนี้แหละชื่อว่าทําหน้าที่ทํากิจของตัวเองแหละนะนอกนั้นไม่ได้ทํากิจของตัวเองนะถ้าหากว่าปล่อยจิตให้เป็นบาปในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ ขณะที่เราจิตเป็นอกุศลเนี่ยนะชื่อว่าเบียดเบียนคนอื่นแล้วนะเพราะว่าโลภะเนี่ยย่อมเบียดเบียนตนย่อมเบียดเบียนผู้อื่นย่อมเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายทําลายประโยชน์ตนในโลกนี้ทําลายประโยชน์ตนในโลกหน้าทําลายประโยชน์ตนในโลกทั้งสองเนี่ยนะแล้วก็ทําลายประมตทประโยชน์ทําให้ไม่ได้ตรัสรู้อริยสัจจะทำคําสอนซึ่งพระ อ, องค์ได้ทรงแสดงทรงประกาศแต่งตั้งเปิดเผยอันอกุศลทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะ เกิดขึ้นก็จะเบียดเบียนตนแต่ผู้ที่คุ้มครองสำรวมระวังรักษาอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านี้เขาก็ทำกิจคือประโยชน์ตนและก็ไม่เบียดเบียนใครๆไม่เบียดเบียนใครๆก็ชื่อว่าเพ่งถึงประโยชน์ของผู้อื่นเพราะฉะนั้นท่านอธิบายว่าบทว่าอินเิยานีวสารขังความว่าพระเถระเมื่อจะแสดงว่าเพราะเหตุที่อินทรีย์สังวรบริบูรณ์ ย่อมทําศีละสัมปทาให้บริบูรณ์นะนะความถึงพร้อมแห่งศีลถ้าอินทรีย์สังวรบริบูรณ์นะเจตนาศีลก็บริบูรณ์เจตสิกศีลก็บริบูรณ์สังวรศีลก็บริบูรณ์อวีติกมะศีลก็บริบูรณ์เมื่อกุศลศีลเหล่านี้บริบูรณ์แล้วธรรมะที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงก็บริบูรณ์ใช่ไหมถ้าหากว่ากุศลธรรมเหล่านี้บริบูรณ์อ่อนวอนไหมว่า ขอเราอย่าเดือดอย่าได้เดือดร้อนใจเลยต้องอ้อนวอนไหมหรือว่าขอให้เราสบายใจเถอะถ้ากุศลศีลบริบูรณ์ไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องตั้งความปรารถนาอย่างไรเสียอวิปปติสารเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นเมื่ออวิปปติสารเกิดปีติปราโมทปีติปสัสสธิสุขสุขเกิดแล้วก็ศีลเนี่ยนะสัมปทาบริบูรณ์ย่อมอย่างสมาธิสัมปทาให้บริบูรณ์อันสัมมาสมาธิเป็นต้นก็จะบริบูรณ์เจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ สีและคนก็ตามจักเจริญง่ายเจริญไม่ยากนะเพราะว่าพื้นฐานสภาพจิตเราไม่มีโทษเมื่อสมาธิสัมปทาบริบูรณ์ปัญญาสัมปทาย่อมบริบูรณ์เพราะฉะนั้นการรักษาอินทรีย์จึงเป็นมูลรากแห่งการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแท้ น, น, นะถ้าใครอยากรักษาประโยชน์ตนรักษาใจยังไงไม่ให้เป็นบาปนั่นแหละเรียกว่าคนนั้นมุ่งประโยชน์ตนจริงๆคำว่างั้น ก็บอกว่าบุรุษผู้รักษาและคุ้มครองอินทรีย์นั่นแหละจึงชื่อว่าเป็นผู้ทํากิจของตนและชื่อว่าไม่เบียดเบียนใครๆก็คือข้อความข้างบนนะ่ะนะที่บอกว่าอ่าชื่อว่าทํากิจของตนนะ่ะนะในข้อ727เห็นนะบรรทัดที่3ว่าจึงจะชื่อว่าพึงทํากิจของตนและไม่เบียดเบียนใครใคําถามที่ถามไว้ตั้งแต่ต้นอ่ะ แล้วคําตอบอยู่ข้างล่างที่บอกว่าคนที่ระวังรักษาคุ้มครองอินทรีย์เท่านั้นแลยจึงชื่อว่าทํากิจของตนและชื่อว่าไม่เพิงเบียดเบียนใครๆคือข้อความนี้เนี่ยนะคำว่าไม่เบียดเบียนใครๆรเนี่ยรวมถึงเบียดเบียนตัวเองด้วยต้นต้นไงทำกิจของตนเนี่ยถ้าไม่ทํากิจของตนในขณะนั้นก็ชื่อว่าเบียดเบียนตนเมื่อไม่ทํากิจของตนเนี่ยนะโดยปริยายตรงข้ามก็ขณะนั้นเบียดเบียนตน คือในขณะเดียวกันเมื่ออินทรีย์สังวรไม่มีขณะนั้นชื่อว่าทําลายประโยชน์ตนไม่ทํากิจของตนเมื่อไม่ทํากิจของตนก็ชื่อว่าทําลายตนแล้วในขณะนั้นและขณะเดียวกันก็ชื่อว่าทําลายผู้อื่นด้วยนะท่านก็เลยอธิบายว่าบทว่าณจะเกียริวิเหทะเยนี้สแสดงถึงอาการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งด้วยบททั้งสองเนี่ยนะ โดยบททั้งสองก็คือชื่อว่าเป็นผู้ทํากิจตนและไม่เบียดเบียนใครๆนี้ท่านแสดงถึงการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนเท่านั้นเพราะถึงการไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็เป็นการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนถ้าขณะที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนจริงๆนะเช่นเมตตาเกิดเนี่ยเมตตาเกิดจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นถามว่าเมตตาเกิดใครเป็นบุญนะก็คนเจริญนั่นแหละเป็นบุญเป็นต้นเนี่ยนะ อีกอย่างหนึ่งแม้ด้วยบททั้งสองท่านแสดงถึงการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนเพราะการที่ปุตุชนและพระเสขะปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นก็เป็นการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนนะถ้าแสดงตรงนี้เนี่ยสมมติถึงนักมาอ่านหนังสือให้โยมฟังอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่าประโยชน์ผู้อื่นดูเหมือนนีถามว่าถ้าอ่านด้วยกุศลจิตกุศลจิตนั้นเป็นของใครนะกุศลจิตนั้นให้ผลเป็นอย่างไรเป็นต้นเป็นอุปนิสัยแห่งคุณธรรมอะไรบ้าง สิ่งเหล่านั้นก็เป็นประโยชน์ของบุคคลนั้นแต่ถ้าประโยชน์ตนอันที่ว่าไม่เกิดก็เท่ากับทําลายประโยชน์ผู้อื่นด้วยใช่ไหมโยมมาปุ๊บมาชวนเดรดฉานกระถาแล้วไปแล้วครั้นี้จำไมเพราะจมายอยู่ที่นี่สามารถชวนไปเรื่องอื่นได้ใช่ไหมวันหลังก็เลิกกันมาเลยคนระับเบียดเบีย น, ยนทําลายประโยชน์ตนก่อนนะก็พาทําลายประโยชน์ผู้อื่นไปอีกต่อไปว่า ครั้นแสดงท่านครั้นท่านแสดงธรรมะข้างบริสุทธิ์ผุดผ่องโดยย่อถึงการรักษาอินทรีย์แล้วเนี่ยนะที่บอกว่าการรักษาอินทรีย์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลอย่างนี้แล้วเมื่อจะจำแนกแสดงฝ่ายข้างเศร้ามองว่าอินทรีย์ที่ไม่รักษาย่อมไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลอย่นั้นท่านก็เลยกล่าวว่า ถ้าผู้ใดไม่ห้ามจากขุนสีที่เป็นไปในรูปทั้งหลายทั้งรูปที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนามักไม่เห็นโทษผู้นั้นย่อมพ้นจากทุกข์ไม่ได้เลย่ยน น, น่าสนใจนะผู้ใดไม่ห้ามจากขุนสีที่เป็นไปในรูปคือไปเห็นรูปทั้งอิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาอนิธาอารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา แล้วก็ไม่เห็นโทษที่เกิดขึ้นว่าเมื่อโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นในอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนานั้ น, นโทษในปัจจุบันจะมีอย่างไรโทษในสัมปรายภพเป็นต้นเนี่ยจะมีอย่างไรเพราะฉะนั้นเขาเหล่านั้นย่อมพ้นจากวัฏฏุทุกข์ไม่ได้เลยเนี่ย น, นะทุกในสังสารวัฏเขาจากไม่มีโอกาสพ้นเลยอรรถกถาเลยอธิบายว่าจากคุณเดยังเจรูเปสุคัตฉันตัง อะ น, นิวารยังอนาทีนวัตทัศมีความว่าหากบุคคลใดไม่ห้ามจากขุนสีที่เป็นไปคือดำเนินไปตามชอบใจในรูปายตนะปล่อยให้ตาดูไปในรูปที่ที่ตัวเองชอบใจเนี่ยนะทั้งรูปที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาชนิดรูปายตนะสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นนะก็เรียกว่าปล่อยสายตาให้สอดสาย ดูสีโน่นเปลี่ยนสีหนึ่งจากสีหนึ่งจากภาพหนึ่งสู่ภาพหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็ปล่อยใจไปตามรูปเหล่านั้นเนี่ยไปเรื่อยๆไปเนี่ยนะในสีเขียวสีเหลือ ง, องก็เหมือนกับเราเอาอัลบั้มรูปมานั่งเปิดดูอย่างนั้นแหะน ะ, นะะเหมือนกับนั่งดูทีวีเนี่ยนะจ้องแล้วจ้องอีกอย่นะั้นน่ยโอฉากแล้วฉากเล่าภาพแล้วภาพเล่าหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเนี่ยนะในสีสารต่างๆที่เป็นภาพเหล่านั้นนั้นเป็นผู้ไม่เห็นโทษ ในการเป็นไปอย่างนั้นเนะคือถ้าหากไม่เห็นอาทีนบคือโทษในปัจจุบันและเป็นไปในสัมปรายภพเนะคือไม่เห็นโทษเลยว่าจิตที่เป็นอกุศลในขณะ ท, ที่เห็นนั้นๆเนี่ยนะขณะที่นั่งดูลุ้นอยู่นั่นแหละโลภะเนี่ยไม่ได้เกิดแต่โลภะอย่างเดียวใช่ไหมเจตนากรรมก็เกิดด้วยเจตนากรรมนี้พระผู้มีพระภาคอุปมาว่าไงนะ เหมือนบุรุษมีกำลังสองคนใช่ไหมมาหิ้วปีกไปโยนลงในหลุมฐานเพลิงอ่ะเป็นแบบนั้นเยเจตนากำอันนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในบาลีที่ว่านั้นบุคคลใดดาดรงในอาการเพียงศักว่าเห็นโดยวิธีที่กล่าวไว้ว่าเมื่อเห็นจักเป็นเพียงศักว่าเห็นคือเห็นยังไงโลภะโทสะโมหะไม่เกิดยังจักขุนศีให้เป็นไปในรูปายตนะนั้นด้วยสติและ สัมปชัญญะอย่างไรชื่อว่าสติมีสีเป็นอารมณ์เนี่ยนะเอางี้ก่อนสติคืออะไรก่่นถ้าสตินั้นมีสีเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นจะต้องมีสติและสัมปชัญญะในขณะที่เห็นเอาสัมปชัญญะมาก่อนใช่ไหมการเห็นเนี่ยมีประโยชน์อะไรใช่ไตั้งตั้งตั้งก่อนประโยชน์โลกนี้ได้ไหมประโยชน์โลกหน้าได้ไหมประโยชน์โลกทั้งสองได้ไหม ประโยชน์ที่เป็นไปเพื่อมักผ ล, ผลนิพพานมีไหมเป็นต้นเนี่ยก็เอาประโยชน์เนี่ยสาถกษ์สัมปชัญญะก็มาถามก่อนในอารมณ์นั้นๆเลยที่สองต่อไปเนี่ยอารมณ์นี้เกื้อกูลต่อกุศ ล, ล, ลจิตเราไหมเนี่ยนะอันนั้นเขาเรียกว่ากุศลที่เป็นส ป, ปายะเพราะอารมณ์เหล่านั้นเกื้อกูลต่อจิตที่เป็นกุศลทีนี้ต่อไปโคจระสัมปชัญญะเจริญสมถกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนั้นเนี่ย เป็นไปได้ไหมอันนั้นเป็นโคจรสัมปชัญญะหรือว่าอะสัมโมหะสัมปชัญญะพิจารณาอารมณ์นั้นโดยความเป็นขันธาธยตนะสัจจะอินทร์ปฏิจจสมุบาทหรือรูปนามรูปนามแต่คําว่ารูปนามเนี่ยรูปนามมีอะไรเป็นเหตุใกล้รูปนามมีอะไรเป็นเหตุใกล้มมกลวิญญาณเป็นเหตุใกล้นะรูปนามนี่มีวิญญาณเป็นเหตุใกล้นะ วิญญาณมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีสังขารเป็นเหตุใกล้เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป น, น, นะนะเพราะนามรูปก็ต้องขยายให้ได้ใช่ไหมว่านามบางอย่างเป็นอะไรนามที่เป็นชาติวิบากมีเหตุมีปัจจัยมาอย่างไรก็ต้องวิเคราะห์เจาะเลือกให้ได้ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะเห็นะคือมีศาสกาสัมปชัญญะทํานึ่งถึงประโยชน์ของการเห็นสีอันนั้นก่อนสอง สปายะเกื้อกูลต่อกุศลจิตไหมเนี่ยเป็นเหตุใกล้ที่จะให้ดำรงกุศลจิตต่อไปได้ไหมสามโ ค, โคจระสัมปชัญญะเจริญส ม, มถะเป็นไปต่อเนื่องไหมแล้วก็อะสัมโมหะสัมปชัญญะเคยไหมสงฆข้อสีอ น, นั้นลงขันถ้าสงข้อสีลงนั้นลงขันเนี่ยเป็นสีเป็นอะไรขันเป็นรูปประคัน สีอันนี้เนี่ยนะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันถ้าเป็นขันเนี่ยต้องไล่เข้าสูตรเ้าสีสีนั้นเนี่ยสีเหล่านั้นทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันสีที่เป็นภายในสีที่เป็นภายนอกสีที่หยาบสีที่ละเอียดสีที่เลวสีที่ประนีตสีที่ใกล้และไกลก็ต้องเอามาวิจัยไอ้สีนี่ที่เป็นอดีตอดีตมีกี่อย่างอนาคตมีกี่อย่างปัจจุบันมีกี่อย่างภายในเป็นอย่างไรภายนอกเป็นอย่างไร เกิดจากสมุทฐานไหนเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องเอามาวิจัยทั้งหมดเหล่านี้เขาเรียกว่าขันวิจัยสีเหล่านั้นโดยขันนะหรือว่าโดยถ่ายตามสัตธรรมอสูตรก็ได้ใช่ไหมโดยสีนะรู ป, ร, ปรูปก่อนใช่ไหมต่อไปก็เหตุให้เกิดรูปความดับรูปข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูปอัาธาของรูปอาทีนวะของรูปและนิสรณะของรูปหรือว่า ต่อแบบพัสอาทิตาปริยายสูตรก็ได้รูปเป็นของร้อนสีเป็นของร้อนอีกสูตรหนึ่งก็แบบสีเป็นของมืดเหมือนกันพวกนี้ประกาศทุกขลักษณะเหมือนกันสีนี้เป็นอนัตตาคําว่าเป็นอนัตตก็คือเป็นไปตามตัจจัยของเขาเห็นไนะคําว่าเป็นอนัตตาเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยเมื่อเขาทั้งไม่เที่ยงและเป็นทุกข์นั่นแหละเขาจึงเป็นอนัตตา แล้วก็พิจารณาสีนั้นน่ยโดยอายตนะก็ได้ใช่ไหสูตรอายตนะมีอย่างไรสีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะคพิจารณาโดยอายตนะถ้าโดยธาตุอะสีเป็นของว่างเปล่าสีเนี่ยนะว่างจากปัในสีเนี่ยสีเนี่ยว่างจากอายตนะอื่นๆทั้งหมดเลยนะสีเนี่ยว่างจากโดยอายตนะอื่นๆเนี่ยว่างจากอายตนะนั้นๆก่อนสีนี่ว่างจากนิจจว่างจาก ความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากอัตตาว่างจากความงามนะนะถ้าจะเอาแบบธาตุถ้าจะเอาแบบะ อ, แบบอะไรอีกสัจจะเป็นทุกขสัจ ต, ตัณหาในการก่อนเป็นเห็นให้สีเหล่านั้นเกิดเป็นสมุทัยสัจได้เลยนะถ้าสมุทัยและสีเหล่านั้นไม่เป็นไปก็เป็นนิโรธสัจข้อปฏิบัติเพื่อทำนิโรธให้แจ้งเป็นมรคสัจเหนะ เพราะฉะนั้นในสีสีเหล่านั้นนนั้นก็เป็นการพิจารณาโดยอาสัมโมหะสัมปชัญญะฉั้นอาสัมโมหะสัมปชัญญะก็คือปริญญาสามนั่นเองสงเคราะสีเหล่านั้นโดยยาตะปริญญาเป็นอย่างไรรู้จักสีพร้อมทั้งสมุดฐานพร้อมทั้งปัจจัยเป็นอย่างดีเรียกว่ายาตะปริญญาสีมีอะไรเป็นเหตุใกล้สีมีอะไรเป็นเหตุใกล้เอาสีในภายในตัวเรานี่นะสีใน สีมีอะไรเป็นเหตุใกล้อ่ะมาพุทรูปมาพุทธรูปสีเป็นเหตุใกล้สีมีอะไรเป็นเหตุไกลสีมีอะไรเป็นเหตุไกลก็มีกรรมจิตอุตุอาหารเป็นเหตุไกลเนี่ยนเหตุไกล้เขาก็คือมาพูทรูปนั่นแหละเป็นเหตุใกล้แห่งสีเหตุไกลก็คือกรรมจิตอุตุและอาหารเนี่ยนะสิ่งใดก็ตามที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งนั้นมีแล้วหามีไม่ แต่เขาได้ปัจจัยเข้ามาเป็นไปเรื่อยนะแต่ปัจจัยบกพร่องเมื่อไหร่ความเป็นไปของสิ่งเหล่านั้นนนั้นก็อยู่สภาพเดิมไม่ได้ก็บอกว่าสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเนี่ยนะก่อให้เกิดอะไรรู้ไหมเมื่อบุคคลไปสร้างความหวังในสีเหล่านั้นเมื่อสีเหล่านั้นปัจจัยเป็นเหตุให้สีแปรไปใจเราเป็นอย่างไรเห็นไบุคคลยินดีในสิ่งใดมากเมื่อสิ่งนั้นแปรเปลี่ยนไปใจก็เสียด้วยเขาบอกว่าข้าวเล็กเขาบอกว่าข้าวที่บูดนะก็บอกว่าจิตที่ไป สร้างความหวังในอารมณ์ใดๆเมื่ออารมณ์เหล่านั้นนั้นแปรไปก็เหมือนกับข้าบูดเลยว่าใจในขณะนั้นเนี่ยนะอภิชาไอโทมนัตก็เกิดขึ้นเพราะว่าไอศีเหล่านั้นเนี่ยก่อให้เกิดทุกโทมนัตและอุปาญาตได้จริงข้อความตรงนี้มีมีความหมายมากนะครับเช่นที่กล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดไม่ห้ามจากักขุนสีแสดงว่า จักขุนศีนี่ห้ามได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอาจจะมีผู้คัดค้านนะ ว, ว่าเออห้ามได้ยังไงใช่ครับ<ม>ตรงนี้มีความสำคัญมากเลยต้องคำนึงต้แต่ว่าห้ามตรงนี้ครับผู้ใดไม่ห้ามจักขุนสีแสดงว่าจาักขุนศีนั้นเราสามารถห้ามได้นะีมีฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ตรัสไว้อย่างนี้ครับ ท่นห้ามด้วยศีลก่อนเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนะห้ามด้วยศีลเนี่ยพระพิสูจ์เพิ่งทาว่าเพิ่งทาศึกษาว่าเราจับนะสํารวมด้วยดีไปในละแวะกบ้านเบื้องต้นก็ก่อนห้ามในเรื่องการดูจริงๆเลยนะห้ามตามไม่ให้เช่นในวันก่อนที่เรียนเรื่องโค จ, จ, จรใช่ไหมโคจรมีสหนึ่งอุปนิสยโคจรใช่ไหม 2. ออารักขะโคจรสาม อุปนิพันธะโคจรในอารักขาโคจรก็คือสัมรวมเนี่ยนะไม่แลซ้ายไม่แล้ขวาไม่ดูรถไม่ดูฟ้าไม่ดูยญิงไม่ดูชายไม่ดูช่างไม่ดูมาไม่เงยดูไม่ก้มดูอะไรเป็นต้นแลดูยังไงอ่ะก็คือดูยังไงก็คือสัมรวมแบบผู้ที่จะพึงสัมรวมทั้งหลายใช้สายตาอย่างเหมาะสมว่างั้นเถอะในเบื้องต้นอาตาก็ใช้อย่างถูกต้องเสร็จแล้วที่เหลือ ใช้ใจยังไงล่ะคิดยังไงเมื่อเมื่อเห็นแล้วเนี่ยอารมณ์ที่เหลือเนี่ยพิจารณาธรรมะอย่างไรต่อไปเนี่ยนะเพราะว่าเออดูดินเฉยๆเนี่ยเออแล้วดินเนี่ยนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะไว้กับแผ่นดินไหมนะมีที่สุกลุ่มหนึ่งเนี่ยท่านไปจาริกในที่ต่างๆแล้วก็ท่านมานั่งคุยกันโอ้ยดินดินที่โน้นเนี่ยงามจริงๆเลยดินดําดินที่นั่นดินปนกรวดที่นี่ดินปนทรายก็เอาปฐวีกระถามาคุยกัน พระพุทธเจ้าบอกโอ้ยนั่นมันดินภายนอกธรรมดาภิกษุควรพิจารณาดินภายในว่า ง, งั้นนะดินภายในก็คือมีเท่าไหร่ถ้าดินภายในมียีสิบนะมี20ดินภายในคือผมดินภายในคือขอนคือเล็บคือฟันคือหนังคือเนื้อเอ็นกระดูกเยอะในกระดูกม้ามหัวใจตับไตไส้ปอดนั่นแหละก็เอาดินภายในนี่แหละมาคิดให้มากๆว่า ง, งั้น ภาษาบุตรก็บอกว่าขนาดดินภายนอกยังอันตรธานแล้วดินภายในที่ตันหาและทิ่ติอาศัยเนี่ยนะเข้าไปอาศัยี่ยจะไม่อันตรธานเลยหรือเห็นไหมมันก็น่าจะเพียงพอที่จะปฏิบัติเพื่อเบื่อนายคลายกำหนัดในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เหมือนกันอันนั้นก็เป็นอะไรเป็นอุปนิพันธโคจรเนี่ยนะเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานที่เป็นไปในการเห็นเหล่าน น, นั้นั้น แสดงว่าการห้ามเนี่ยมีห้ามตั้งแต่ตั้งแต่หลายระดับทีเดียวระดับอธิศินตั้งแต่ระดับแค่ศยาสกราสารพจญยะก็มีเจริพนเห็นไหมสิ่งใดควรเห็นสิ่งใดไม่ควรเห็นรพระผู้พภาคทรงตัดไว้ในวินัยยังไงบ้างเอาไว้ไปตั้งแต่ต้นไปจนกระทั่งถ้าหากว่าจำเป็นต้องดูจะต้องอจะต้องห้ามยังไงบ้างเรินย ก, <ม>กตัว อ, อย่างนะพระผู้มีพระภาค ก่อนจะดับขันปรินิพานเนี่ยนะพระนเ น, นี่เข้าไปถามเลยเ อ, อ่อพิสูุทั้งหลายเนี่ยควรปฏิบัติกับผู้หญิงอย่างไรควรจะปฏิบัติตัวกับมารุคามอย่างไรปุถุยยาบอกเลยอย่าเห็นอานนท์เหมือนกันตอบทันทีเลยนะบอกว่าอย่าเห็นเอาถ้าจําเป็นต้องเห็นละพระเจ้าค่ะอย่าคุยด้วยอย่าพูดกับเขาเด็ดขาดเลยเหมือนกันเอาถ้าจําเป็นต้องพูดละพระเจ้าค่ะตั้งสติเอาไว้ให้ดี การตั้งสติเอาไว้ให้ดีเนี่ยเบื้องต้นเขาบอกว่าถ้าเขาปูนแม่ก็นึกว่าแม่ไปกําลังคุยกับแม่เหมือนกันเถอเขาปูนพี่ก็คุยกับพี่ปูนน้องก็คุยกับน้องปูนลูกปูนล้านก็เหมือนกับคุยกับลูกอันนี้สติเป็นเบื้องต้นตั้งแบบนี้ถามว่าคืออะไรรู้ไหมฮิริโอตาปะไงเป็นโลกกระทำอ่ะเป็นที่เรียกว่าเป็นธรรมะประจําโลกใช่ไหมถ้าไปอยู่กับพี่กับน้องเราจะไปคิดเป็นอื่นมีไหมก็ไม่คิดไอ้ความยําเกรงเป็นต้นก็จะเกิดอันนี้ที่เรียกว่ากุศลศีลก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นศีลเพื่ออปรระะโยชน์ไ เพื่อเอาวิปปติสารเป็นต้นต่อไปเพราะนั้นก็จะต้องมีการพิจารณา <c oughs> จะดงว่าการห้ามนั้นเนี่ยถ้าฟังผิวเผินจะคิดว่าห้ามไม่ได้แต่จริงๆแล้วห้ามได้ถ้าเราฝึกห้ามต้องห้ามได้ถ้าไม่ห้ามมีโทษนะในคำภีเนี่ยกล่าวไว้เรื่องหนึ่งมีพระพิสุรูปหนึ่งเนี่ยนะท่านบวชเข้ามาเทนี้อตอนหลังแม่ท่านก็บวช ด, ด้วยทั้งคู่ก็บวชทั้งคู่นะทั้งแม่ทั้งลูกอะไร ทีนี้ก็คิดธรรมดาแม่ลูกก็คิดถึงการอะนะแม่ไปเยี่ยมลูกบ้างลูกไปเยี่ยมแม่บ้างเยี่ยมไปเยี่ยมมาปาราชิกทั้งคู่เลยเขาขนาดนั้นนะแม่กับลูกอ่ะสมัยพระพุทธเจ้าด้วยนะพระองค์สังเวชใจกับเรื่องนี้โอ้โหหมกคาบุรุษเหล่านี้ไม่ไม่คิดหรืออย่างไรนาะว่างั้นมีเรื่องนี้ขนาดสมัยพุทธกาลยังมีเลยเดี๋ยนะสมัยพระพุทธเจ้าด้วยซ้ําไปพระองค์เนี่ยสลดสังเวชใจแม่กับลูกแท้ๆเลยว่า ง, งั้นเพราะฉะนั้นถามว่า ถ้าคลุกคลีบ่อยๆเมื่อเช้านี่ผู้การเอามาอ่านให้ฟั ง, ง่างเหมือนกันนะสีบางอย่างเห็นแล้วมีโทษจริงยวนะเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปอีกว่ามีโทษยังไง ถ, ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่สำรวมระวังจากขุนสีเนี่นะไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็เชื่อว่าเป็นผู้มีปกติเห็นการสลัดออกในรูปายตณะนั้นสีเหล่านั้นจะสลัดออกจากสีเหล่านั้นได้อย่างไร อะไรเป็นธรรมะเป็นเหตุให้สลัดออกก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนั่นแหละเป็นธรรมะให้สลัดออกจากสีโดยที่มีสีเป็นอารมณ์เนี่ยนะสัมมาทิฐิมีได้ไหมสัมมาสังกประเกิดได้ไหมสัมมาวาจาสัมมากรรมตัสสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะเคยเอาสีแล้วส่งเข้าองค์มรรคลงไปไหมเอาองค์มรรคแต่ละองค์ลงไปก็ได้เลยเออมีสีเป็นอารมณ์และเป็นสัมาธิฏฐิเป็นอย่างไร มีสีนั้นเป็นอารมณ์แล้วเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องรู้สลัดออกนี่นะรู้สลัดออกในรูปายตนะนั้นว่าจะสลัดออกจากอารมณ์เหล่านั้นได้อย่างไรต่อไปว่าอั น, นึ่งผู้ใดไม่ห้ามโสตินสีที่เป็นไปในเสียงทั้งหลายมักไม่เห็นโทษผู้นั้นย่อมพ้นจากทุกข์ไม่ได้เลย ก็คือปล่อยให้หูเนี่ยนะสอดสายหาเสียงทั้งที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจไอเสียงที่น่าชอบใจแล้วเราสอดสายหูหาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะสอดหูหาเสร า, าสอดสายหูหาเสียงที่ไม่น่าปาถนาเนี่ยเป็นอย่างไรเคยคิดนะเป็นยังไงเช่ hen, คนคนอื่นเขาให้มีใครตําหนิเรามัางหรือเปล่านะหาข่าวดูซิอันนั้สอดสายหาเสียงที่ไม่น่าปาฏนาอันนั้ มีใครว่าเราไม่มีใครนินทาเราหรือเปล่าพูดรับหลังเรามีไหมอันนี้เขาเรียกว่าสอดสายหาเสียงที่ไม่น่าปรารถนาครับวางั้นะคนนี้บางคนนี่ฝ่ายรู้จริงจเลยนะคำพวกนี้เอ๊ะเขาตำหนิเราว่าอย่างไงบ้างเขาวาไงนะโอ้ลงทุนลงแรงน่าดูเลยร <c oughs> ผู้ใดที่ไม่ห้ามโสตินทรียที่เป็นไปในเสียงทั้งที่ทน่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาไม่เห็นโทษโทษในปัจจุบันและโทษใน สัมปรายะพบในการฟังอันนั้นเนี่ยจิตเราเนี่ยเป็นยังไงเมื่อฟังเสียงนั้นนั้นเนี่ยเขาย่อมพ้นจากวัตทุกข์ไม่ได้เลยเห็นไหมกรรมวัฏขณะนั้นก็ไม่ใช่เลยนะเพราะกําลังทํากรรมเลยอะ่ะกรรมวัฏเกิดขึ้นกิเลสวัฏก็แจมผสมและทั้งกรรมทั้งกิเลสผสมกันเข้าวิปากวัฏก็เลยเกิดเลยจนถงว่าห้าตั้งแต่สาธกาสามัญญาเจริญพรตั้งแต่สาธกะเพราะฉะนั้นอุโบสถเสียเบื้องต้นนี้จึง ห้ามฟังใช่ไหมมาเอา่อนาจคีตาวาธิตะวิสุกทัศนานะเวระมณีสิกขาปะทางสมาธิยามีเพราะั้นผู้ที่จะสมาทานอุโบสถเนี่ยนะจะต้องเว้นจากการดูการฟ้อนรำการขับร้องการประโคมเนี่ยเว้นหมดเลยถามาเว้นจากการฟังพวกนี้ให้ไปทำอะไรก็ไปเจริญพุทธทานุสติเป็นต้นนั่นเอง